ช่วงเรื่องน่ารูกับสมุนไพรข้าวตองโดยเพชรจักรกอุดมรินคำเกิดแก่เจ็บตายกันทุกตัวตนหนีไปไม่พ้นจำต้องพระจนโรคครา ยยาาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านประการสาระความรู้ในวันนี้ผมนำมาจากหนังสือ Reader Digest ฉบับเดือนพฤศจิกายนญญาาพุทธศักราช2555มีบทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมะพราะ้าว จึง <sugg> <Wow. S 1> ของนํา ม, มาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของน้ํามันมะพร้าวอยู่ในบทความ13อ า, อาหารอร่อยกินลดไขมันเรื่องของน้ํามันมะพร้าวก็เป็นหนึ่งใน13อาหารอร่อยกินลดไขมันเขาเขียนไว้ดังนี้นะครับน้ํามันมะพร้าวไขมันอิ่มตัวมักได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่มีไขมันอิ่มตัวชนิดหนึ่งถือว่าเป็นสุดยอดไขมันที่เราไม่ควรพลาดนั่นคือน้ํามันมะพร้าว ท้งนี้จากการศึกษาที่ประเทศบราซิลเมื่อปี 2,552 พบว่าน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์กับผู้หญิงอ้วนที่มีไขมันสะสมบริเวณช่องท้องกล่าวคือช่วยลดเซนดรอบเอลเพิ่มระดับไขมัน HDL คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นไขมันที่มีประโยชน์และช่วยปรับอัตราส่วนระหว่างไขมันชนิดร้ายหรือ LDL กับไขมันชนิดดี HDL นอกจากนี้ในกลุ่มประชากรที่กินน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำมักไม่ค่อยพบผู้ป่วยคอเลสเตอ ร, ตรอลสูงหรือโรคหัวใจหกปุ่มอาหารแต่ละวันให้มีปริมาณไขมันอิ่มตัวไม่เกินร้อยละสิของจํานวนพลังงานทั้งหมดและควรให้น้ำมันมะพร้าวหรือนมเป็นอาหารอันดับหนึ่งของคุณ เรื่องน่ารู้กอบสมุนไพรข้าวตองโดยเพศสัจกรอุดมรินคําเกิดแก่เจ็บตายกันทุกตัวตนหนีไปไม่พ้น